ไปสำรวจตัวเองเรื่อยๆบางคนก็ไปสร้างพบเพืนอนันหนึ่งแล้วก็ไปค้างอยู่ในพบนั้นว่างๆบางคนภาวนาสังเกตไหมไม่ต้องบางคนทุกคนะเราจะมีความรู้สึกลึกๆนะทํำยังไงถึงจะดีทํำยังไงถึงจะถูกรู้สึกไหม <c oughs> ทํำยังไงถึงจะดีทํางไงถึงจะถูกท่านไม่ได้ให้ทํานะท่านให้รู้แต่ว่าใจของเราอดคําว่าทําไม่ได้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 แกแล้วมากอย่าหัวแข็งไม่ใช่แค่กระดูกแข็งข้อแข็งนะหัวแข็งแต่พวกเราไม่มีเลยพวกเราใจของพวกเราอ่อนอย่ธรรมะนะดีมากเลยแล้วพวกเราภาวนาจริงๆไม่ได้ภาวนาหยอห่อแยะแยะแต่ละคนนะทุ่มเทเอาชีวิตเข้าแลกมาละคนภาวนาต้องใจถึงถึงอย่างนี้บางคนทำหยอหอแยะแยะพวกเด็กๆอะ มาเชี่ยวยังดีนะดีกว่าไม่ทําเลยเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อว่าพวกเด็กๆก็ดีกว่าไม่ทําเลยมันทําแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ทํานะยึกยักยึกยักจริงจงการภาวนามต้องเด็ดเดี่ยวอย่างที่พวกทีมเชียงใหม่ทํานี่เด็ดเดี่ยวใช้ได้เลยนี้ให้หลักให้มันแม่นให้รู้กายให้รู้ใจไปเรื่อยๆรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยเรืถ้าหลักนี้แม่น้ะมันจะเดินไปได้เองแล้วก็แต่ละวันก็สํารวจใจเราเราไปติดไปข้องอะไรบ้าง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 มาหาหลวงพ่อทำไงลูกจะปฏิบัติตัวเอ ง, งไม่ปฏิบัติหรือห่วงลูกกลัวลูกไม่ปฏิบัติห่วงคนอื่นนี่เรื่องถูกมนุษย์จับไว้ถูกอามนุษย์จับไว้นะบางคนอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงเนี่ยหรือภาวนาเพื่อหวังลาบส ก, การะคนทุกวันนี้มีความทุกข์เยอะใช่ไหมแหมใครแสดงตัวเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแนะนำนะเรามีอะไรก็ทูลหัวทูลกล้าให้เขา